1> 16, 1หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดผ่านมาแล้วหกวันผ่านมาแล้วหกวันแล้ววันนี้ยังเหลือยังวันที่ยี่สิบสองยี่บสามยี่บี่อย่างสามวันยี่สิบสองยัิบสายี่บสี่อย่างสามวันวันที่ยี่สิบี่ก็เป็นการที่จะบอกกันหือว่าแนะนำกันเป็นวิธีปฏิบัตินำไปใช้กับสีทธิตของเราได้จริงๆ วันนี้ก็จะแนะนําเรื่องปฏิบัติเอาไปใช้กับชีวิตแต่ให้มันรัดกลุมเข้ามาอันนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติอย่างรัดการปฏิบัติอย่างนี้คือให้รู้เบื้องต้นจําไว้สั้นๆแต่รู้อย่างอื่นนั้นเอาไปแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เบื้องต้นต้องรู้ลูกรูหนามนี่เองลูปน้ํามลูปธรรมนามธรรมลูปโลกนามโลกลูปโลกนามโลกมีสองอย่างโลกทางกายโลกทางใจ เป็นหัวข้อยังนี้เมื่อรู้โลกนามโลกนะควับรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตาดีแล้วก็รู้สมมุติสมมติเนี่ยสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติให้ว่าพระพุทธโลกทกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติเนี่ยสมมุติพ่อใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารนี่เป็นสมมุติแต่สมมุติก็โดยจริงๆโดยสมมุติให้เราเข้าใจไปอย่างนี้แต่ว่าปัญญาจะรู้เอง แต่เพียงหพออซีแนวทางมาเท่านั้นเองเมื่อรู้สมมุติดีแล้วกับรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาศาสนานั้นก็ไม่ต้องย่อยนะสนี่ยศาสนาเป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นํามาสอนศาสนาเป็นวิธีพึ่งเลยแต่พึ่งได้จริงไหมพึ่งไม่ได้จริงวันนี้พุทธศาสนาพุทธะเป็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานด้วยธรรม รู้ทำเห็นทำเป็นพุทธศาสนาเข้าใจอย่างนั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วการรู้บาปรู้บุญบาปก็คือมืดจิตมืดใจบุญก็คือสว่างจิตสว่างใจบาปก็คือโง่นั่นเองพูดสั้นบุญก็คือสลาดทันเองเสั้นรู้อันนี้จบพักต้นจบที่นี่เลยหลวงพ่อรู้คนอื่นที่จะรู้นอกนี้แต่เขาไม่รู้พอที่จบพักนี้แล้วมีความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมาแท้ขึ้นมา อันนั้นเป็นขมรู้ที่ไม่ไว้ใจรู้แล้วแลวไปอันนั้นแต่ตอนนี้ไม่ให้หลงปเปียวทบทวนอารมณ์อันนี้แต่อันนั้นมันรู้แล้วก่ะแล้วไปจดจำไม่ได้มันรู้แต่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อันนั้นเป็นวิปัสโนแก่คนลปฏิบัติทีแรกไม่รู้ไม่รู้ว่าอันใดเป็นวิปัสโนอันใดเป็นจินตยานอันใดเป็นวิปัสหลัดแยกไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงที่สุขของพกุกตอนที่จะรู้อันนี้มันต้องถึงที่สุขของพกุกยังจะรู้ได้ดีเป็นยังไง อันนี้แต่ภากต้นพักต้นเนี่ยถ้านจะว่าเป็นปฐมมาสานก็ได้เป็นปฐมมเลิกก็ได้แต่เมื่อพูดในหลักปรมัดแล้วเป็นปฐมมาเลิกอันนี้ไม่เป็นปฐมมสานเป็นปฐมมเลิกเริ่มต้นที่สุดพอได้รู้อันนี้แล้วมันเกิดของรู้เราจะไปติดขงรู้ให้มาทําอยู่กับจังหวะจังหวะให้มันรู้อยู่เสมอมันคิดอตะแล้วไปให้มายุกจังหวะมันคิดแล้วก็แล้วไปให้มากอยู่กับจังหวะนี้ เจ็บหัวปวดท้องอะไรต่างๆทั้งหมดเท่งไปทั้งหมดเลยเอาแต่เพียงความรู้สึกในน้อยนี้เองเ <c oughs> มื่อรู้อันนี้แล้วก็จะรู้เมื่อเราทํามากนะจะรู้จะเห็นอันนี้ลึกขึ้นรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับวัตถุเห็นวัตถุวัตถุปรามาสอาการรู้เห็นสัมผัสแนบนแน่นกับอันนี้แล้วก็ รู้เห็นสัมผัสแนบแน่นอยู่กับถ้าหักมีโทสะเราเห็นโทสะกร น, นะถ้าเราเห็นโมหะก่ก็จะรู้โมหะก่อนถ้าเห็นโลภะก่อนก็จะว่าโลโลภะก่อนคือสามอันนี้จะรู้ขึ้นมารู้ใกล้ใกล้กันรู้วัตถุ ป, ประมาทอาการนี่สามอันนี้และบัร น, นี้ก็โทสะโมหะโลภะก็สามอั น, นเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจสัมผัสแนบแนงกับอันนี้พอดีรู้อันนี้แล้วก็ต้อง รู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่ครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกสัมผัสยอวนี้เป็นสามทุกด้วยกันเข้าใจอย่างนั้นเห็นอันนี้เห็นแล้วก็ไม่หลงไม่ลืมนี้เป็นปฐมมาเลิกเออเป็นปฐมมาสารแท้อันนี้เป็นสารที่เขาไปรู้เรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมตั้งแต่นี่ไปเป็นปรมัตตอันนั้นเป็นสมมติบัญญัติอันนี้เป็นปรมัตต์บัญญัต เข้าใจยังไแต่คนอื่นนะจะเข้าใจย่างไรไม่ทราบที่หลวงพ่อมาแนะแนวชี้ให้ฟังและจดจำเอาไว้นำไปปฏิบัตินนเพื่อเป็นอย่างนี้กรูู้ศึกว่าตัวเองเป็ น, พ, นพระได้ทันทีเพราะควรเป็นพระอยู่ที่ตรงนี้โทสะโมหะโลภะเหล่านั้นน่ะสมมติเอาน้ำสีเต็มกระป๋องมีคุณภาพร0อยเปอเ็นเอาไปนยี่มผ้าขาวถ้าเป็นสีดาก็ดำสีแดงก็าำ ผ้าขาวมันจะเป็นเนื้อสีดำสีแดงไปทั้งหมดเลยแต่ก่อนนะเมื่อเรายังไม่เห็นไม่รู้อันนี้นะพอดีเรามาเห็นมาลูสัมผัสอันนี้แนบแน่งเข้าไปจริงๆแล้ววันนี้น้ำสีเต็มกระป๋องแต่คุณภาพมันหมดไปแต่มีกันน้อยที่สุดแต่ปริมาณมีอยู่เหมือนเดิมเ <c oughs> อาไปย้อมผ้าขาวมันจะไม่ติดเนื้อผ้าติดกับติดน้อยเึีจะเป็นผ้าได้นน <c oughs> แล้วคนใดเห็นเวลาใดต้องจําให้มันได้นี่เดียวก็ทวนให้มันค่องแค่วอนนี้ เห็นเวลาเช้าหรือเวลาเย็นกลางคืนหรือกลางวันเดินหรือนั่งนอนจําได้ทันทีเลยแต่ทุกคนต้องจำให้มันได้ถ้าจําไม่ได้มันจะเลอะเลือนมันจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนั้นเตือนอันนี้แตีชี้แนวให้ต้องท่องให้มันดีไปกลับไปกลับมาทนอารมณ์เมื่อรู้อันนี้แล้วบางคนก็อยู่แค่นีนะ้บางคนไม่ได้จบซะนะต้องข้อถามบางที่ก็รู้แต่วัตถุตัวเดียวก็มีเราพอ ก, ก็คอยชี้ให้ถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่รู้จริง พอเดีรู้วัตถุแล้วบางคนปัญญาไม่แข็งแรงเขาต้องชี้ทันทีให้เห็นวัตถุไหมเห็นปรามัดไหมเห็นอาการไหมขอต้องเห็นตามแต่เห็นตามผู้ชี้แน่เรียกว่าอบรมแล้วก็เห็นโทสะไหมเห็นโมหะไหมเห็นโลภะไหมเห็นอะไรก่อนต้องขาดต้องซีทันทีจะเห็นโมหะของกันได้เห็นโลภะของกันได้เห็นโทสะก็ได้เขาเห็นแล้วก็พอดีเห็นอันนี้ครบจบทุนก่อนซีให้เห็นว่า เห็นเวท น, นาไหมเห็นสัญญาไหมเห็นสังขารไหมเห็นวิญญาณไหมต้องชี้ให้รู้อันนี้ผู้ที่นํานะพอดีรู้อันนี้เราก็หยุดไว้นี่ก่อนให้กับเจ้าทวนอารมณ์มันนี้ให้มันได้อย่าให้มัน ล, มล้มมันลืมพอดีรู้อันนี้นะเป็นยังไงน้ําหนักของตัวเองร้อยกิโลเนี่ยจะเบาขึ้นจากกิโลเขาจะจะบอกให้ทันทีเลยเนี่ยควรเป็นพระอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าคนใดไม่มีเรียกว่า ปัญญานั้นไม่เข้มแข็งก็จะเห็นปีติละตัวเห็นทีละตัวไปถ้าปัญญาแข็งแรงเห็นป๊บทีเดียวเห็นทั้งหมดเลยหลวงพ่อเห็นทั้งหมดทีเดียวเนี่ยพร้อมกันทีมันเรียกว่าตัวเองเป็นคนพูดจริงให้ไว้ด้ไหมทำจริงเห็นก็จริงลูกก็จริงแต่วบบนี้มันก็จบมีปีติขึ้นมาปีติจบเป็นความอินใจปีติเป็นอุปสรรคมันเนี้ทำลายว่าปีติเห็นคนมา ดีติดขุมอิ่มใจดีใจพอใจเราไม่ต้องติดขับมาอยู่กับความรู้สึกตอนนี้ตอนที่จะเห็นใะไต้องเป็นเพ่งนิดเดียวดูข้ามลมหายใจดูควาคิดใกล้ใกลข้ามควาคิดก็ไปนิดเดียวเดี๋ยวนี้ถ้าเราดูแค่เนี้คลายๆคือเราหมุงอยู่ในในห้องในในมุง ก, ก็ได้ในห้องก็ได้ออกจากมุ้งไม่ได้ออกจากในห้องมาได้วันนี้เราเปิดมุ้งออกมามันก็บเบาขึ้นมาเปิดห้องออกมาออกมาอยู่นอกบ้านที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ อันนี้เอกเป็นปฐมฐานแท้อันนี้อันนี้เราเป็นปรามัดจากนั้นมาก็เมามองดูไปพอเดือดข้ามขั้นตอนไปมันจะมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเห็นกิเลสไหมไม่ใช่เป็นคํำพูดนะนี่เป็นความเห็นแจ้งรู้จึงสัมผัสแนบเนื่อกับสิ่งอันนี้เห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นกรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะจางหายไปอันนี้เป็นเนี่ยเป็นมาก อันนี้เป็นผลมันอยู่ที่มรรคผลมรรคผลคือว่าอริยมรรคอริยผลมันมรรคเป็นผลในวันนี้กันอริยมรรคทามากขึ้นมากขึ้นเปนอันนี้หลวงพ่อลู่ตอนแรกวันนี้ตอนเศ้ามือนหลวงพ่อมาลู่อันนี้เห็นสิน่งเพราะว่ า, วาตอนแรงให้เราจัดการกับกิเลสอย่างหยาบได้แล้วก็กิเลสอย่างหยาบก็ได้แต่โทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปาทานกับนี่เองเป็นกิเลสอย่างก็เห็นสิ่ง สินไม่ใช่สินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสินสามร้อยอันนี้สินอันนั้นคือปกติโอ้เห็นปกติขึ้นมาก็เห็นสินขันสมาธิขันปัญญาขันขันก็จะว่าขันห้าก็ได้จะว่าขันสามก็ได้จะว่าขันสองก็ได้ที่ว่าอย่างไรก็มันเป็นสมมติเห็นสินสิลเดี๋ยวรูปอันนี้มีศินลูกนั่เนี่ยคําพูดมีสิน ใจคิดมีสินโอสิงเป็นปกติก่อนเมื่อรู้อันนี้แล้วก็จะรู้แยกสมถะไม่รู้อันนี้ไม่รู้สินอันนี้แต่รู้เป็นจิตอั น, นที่สินสงบนั้นคือว่าสมมาถะที่ไม่รู้อันนี้เมื่อรู้อันนี้ก่อเห็นสมมาถะทันทีเลยความสงบแบบนั้นสงบใต้โบหะไม่ใช่ส่วนสงบด้วยการเห็นแจ้งคนจะล่วงทุกไปในเพราะปัญญาคนจะล่วงทุกไปใเพราะการเห็นแจ้งเนท่านสอนเอาไว้บัด น, นี้เราไม่เห็นแจ้ง เรไม่มีปัญญามันก็อยู่ใต้โมหะเพราะโมหะครอบงําเอาไว้คือไม่เห็นตั้งแต่ต้นวัตถุปณัณณามารรคานี่จะไม่เห็นสมถะกรรมฐานไม่เห็นเห็นกระจามาเท่านั้นเองนี่แล้วกราโทสะโมหะโลภะเพียงทูดได้แต่หัไม่เห็นกิเลสตัณหากรรมานนี่ไม่เห็นพอนี้เรามาเห็นอันนี่ยเป็นปัญญาญาณของวิปัสนาภาวนารวิปัสนาญาณภาวนาจริงเห็นภาวนาแปลว่า ทำให้เจริญให้มากขึ้นมากขึ้นก็เลยเห็นแยกสมถะตัวนี้สมถะน่าจึงว่าที่ที่เขีย่อ ม, มาทางนี้นเนี่ยหลงพอเขียมาทางนี้ถ้าถ้าไปทางนั้นมันจะรู้อันนั้นแต่ว่าไปทางนั้นไม่ถูกต้องมาทางนี้จึงถูกต้องจีงว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเนีย่ยเป็นมรรคเป็นผลเมื่อเห็นสิ่ขันสมาธิขันก็เป็นมรรคอีกแล้วเป็นมรรคพอดีมาแยกสมกถะกับฐานแยกวิปัสนาภาวนา องจากการเป็นผลอีกแล้วอันนี้เป็นมรรคเป็นผลจีวาเป็นปฐมฌานทูติญญาฌานที่สิบาปนี้เมื่อแยกสมถะกรรมฐ า, านแล้วบัดนี้ก็เราก็รู้จกักว่าโอทางไปทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ทางแล้วเราก็เข้าใจอย่างนั้นเมื่อแยกสมถะกรรมฐ า, านได้เรียก็อกมารู้เกิดยานขึ้นตึมอีกแล้วแยกขึ้นมาเห็นว่าการทําบาปทําบาปด้วยกายเลยนะถ้าหากนรกมีจะไปตกนรกขุมไหนบดัดนี้คูดเสยๆเต้า มือไปถามพูดชักมาพูดหยาบคายถ้าหานรกมีจะไปตนกนรกคุมไหนคิดเฉยๆคิดที่ไม่ดีเนี่ยถ้าหานรกมีตายก็ไดจะไปตนกนรกคุมไหนจะรู้ไปอย่างนี้บั น, นี้ทําพร้อมกันกายกระทำคาปากกับพูดใจจะคิดไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และตายไปได้จะไปตนกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันจะรู้ไปอย่างนี้ในทางตรงกันข้าม บ, บนันเดีย ถ้าทําบุญหมดเนี่ยทําบุญตั้งแต่มือแล้วเนี่ยไปช่วยทําบุญที่นั่นที่นี่ต่ว่าคําพูดไม่ได้พูดถ้าหากสวรรค์มีตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ทั้นไหนเนี่ยมันเข้าใจไปเนี่มันต้องเห็นนี่ว่าเราเห็นเรารู้ได้มันต้องสัมผัสแนบแนบเนข้ามาอย่างนี้บันนี้ถ้าหากทําบุญเรื่องคำพูดคําพูดดีแต่ว่ามือไม่ทำอะไรไม่ทําถ้ า, าสวรรค์มีตายไปแล้วจะไปอยู่สวรรค์ทั้นไหนเราต้องรู้จัก บัด น, นี้มือไม่ทําปากไม่พูดมีเจ็ไปคิดไปบุญเท่านั้นเองตายไปได้ถ้า่างสวรรค์มีจะไปเกิดในสวรรค์ท่านไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันจะรู้แบบนี้บัดนี้มือกระทาปากกระพูดดีใจจะคิดดีร่วมกันมาเนี่ยทาดีเนี่ยตายไปแล้ ว, วรรจะไปเกิดสวรรค์ท่านไหนนานกี่ปี ก, นนกี่ เ, เรรนนดือนเนี่ยเป็นมะเป็นผลขึ้นไปอย่างนี้ อันนี้แหละเป็นปฐมฌานทูติญญาฌานเป็นตาติญญาฌานเป็นจตุทฐานที่ตรงนี้พอดีอันนี้มารวมกันแล้ววันนี้มารวมกันก็เลยเห็นเข้าใจพอดีเห็นเข้าใจแล้วมันก็คล้ายๆคือมันจะไม่ทนอยู่ได้มันจะเหมือนกับฟิวไฟฟ้านี่เลยมันจะขาดมันจะกันเป็นช่วงทันทีอ๋อทีนี้แปลว่าขันห้าไม่ถูกปรุงแล้วในตอนนี้คือเราต้องเห็นหลวงพ่อพูดให้ฟังที่ตรงนี้แหละพอดีเห็นอันนี้ฟิวไฟฟ้าขาดปุ๊บ มันก็เหมือนว่าขันห้าปุูไม่ได้หนูขอเทียบให้ฟังแต่ว่าเหมือนกับเสื้อในร่อนตัดตรงกลางแล้วเอาไปทํางานไม่ได้เหมือนกับมีดผ้าบาดแล้วเลือดมันไม่ออกจากปากบาดเลยเบอรนี้มันจะห่วนกลับเพราะมันมันกลัวมันกลัวการทําชั่วมันต้องการการทําดีแต่พอการทําดียังมันยังมีอารมณ์นะเบอนี้ทําไปทํามาเนี่ยมันมันขาดออกจากการเป็นช่วงเลยมันจะเหมือนกับติงโถกกัน น้ำปูนนี้เมันจะหดตัวเขาทั้งหมดเลยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่สุดของทุกทุกคนต้องมาที่นี่ไปที่อื่นไม่ได้มันจะหดทั้งหมดเลยมันเข้าสู่สภาพของมาจริงๆที่ตรงนี้พอได้มนมาเข้าสู่สภาพของมันแล้วก็รู้จักสภาพภาวะขูมเปลี่ยนแปลงถึงอาการเกิดดับที่ตรงนี้อันพิกมือนนี่เกิดเป็นดับเนี่ยให้เราเข้าใจเอาไว้เตือนนะเนี่ยที่ทางให้เปดี๋ยวอบรมอันนี้เป็นอาการเกิดดับสมมุติ ตัวนั้นเป็นอาการเกิดดับปนามัตจิตใจนึกค็ดเป็นสมมติเป็นการเกิดดับสมมติตัวนั้นเป็นอาการเกิดดับปนามัตไปแล้วจะไม่กลับไม่หวนกลับคืนให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีที่นำมาเล่าให้ฟังการปฏิบัติธรรมะแบบนี้ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับเสื้อซ่าตระกูลขมรู้หรือมีเงิ น, ม, งนมีทองนิธาบรนาจักไม่ขึ้นอยู่ทั้งหมดเลย มีศีลไม่มีศีลไม่ขึ้นอยู่กันเพราะว่าศีลมันมีอยู่แล้วเพราะความจริงอันนี้แหละมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องรู้อย่างนี้จะเป็นฆราวาสญาติโยมก็ต้องรู้อันนี้ให้ว่าคนทุกคนทุกสัตว์ทุกภาสาปฏิบัติรู้อันนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดเอาว่าผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอเนกสงสองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์สองเป็นพระนาคามีแต่พระอรหรันต์นะฮะไม่ได้เป็นทรัพนี้อันพระอนาคามีนะ่ะแน่นอนที่สุดทันวอย่างนี้อันนี้แค่ไม่ต้องพูดอย่างนั้นนะท่านทำไปเถอะให้เวลาอยู่ใกล้ชิดนะัดสมมติเอานะไม่ใชใกล้ชิดมานอนนะําอย่างที่ไม่ใช่อย่างใกล้ชิด ก, กับการกระทำหรือใกล้ชิด ก, กับคนที่แน่แนว กูจะมันจะผิดค่อยๆพยายามป้องอย่างที่โคบานป้องโควาลงน้ําเนี่ยเห็นว่าป้องไม่ให้เป็นไปทางนอกมันก็จะเร็วขึ้นถ้ามันไปทางนอกก็ตายก็กมีหรือหลงทางก็มีให้ระยะเวลาสามปีอย่างนานที่สุดอย่างกลางเนี่ยให้ระยะหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดตั้งแต่นับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันถึงเก้าสิบวันอันนี้สงมัต้องพูดความสงสัยกังวลใจนั้ะจ๋าลดน้อยไปการขัดแย้ง ภายด้จิตใจก็จะลดน้อยไปทําให้พุทธศาสนาจจเจริญเฉพาะบุคคลไม่ใช่ จ, จะเจริญทั่วไปเฉพาะบุคคลเท่านั้นเองยังว่าหาพระ ธ, ธรรมวินัยเรามีอยู่มีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่มรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลงนี้เรารู้จักนิพพานที่ตรงนี้บัด น, นี้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุปัชกายอยู่โดยชอบถ้าเอหาหลักฐาก็จะไม่ว่างจากลรู้อันนี้ไม่ใช่จะไปรู้เบมหีนเมตาย รูนอกตัวเราตับไตไส้พุงไม่ใช่รู้อย่างนั้นอันนั้นมันไปพิจรารณาหลวงพ่อเคยถามมาแล้วนางต้องพิจารณาว่าตับไตไส้ปอดเป็นอสุภะอย่า น, นัอย่างนี้ผมฟันขนเล็บไม่ต้องพิจรารณาทำํสทำสวยๆทาเพียงพลิกมือให้รู้ควบมือให้รู้ยกมือไปให้รู้เอามือมาให้รู้เอียงซ้ายก็รู้เอียงขวาก็รู้อ้อมก็รู้เงยก็รู้เนี่ให้รู้อันนี้พอดีมันขาดช่วงออกมา รู้จักสภาพภาวะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจแน่นอนเนี่ยยานย่ยอมมีทั้งวันนี้จะเมื่อเปลี่ยนนี้จะไปติดความสุขมันจะเป็นวิปลาสที่ตรงนี้พอดีเราเห็นอันนี้คลี่กลับมาทวนอารมณ์ช่วะอบรมมาตั้งแต่ต้นขึ้นมาถึงจุดนี้อบรมตั้งแต่ตายลง ม, มาถึงจุดจุดต้นแต่ไม่ต้องไปอบไปอบรมอันไม่ไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องลมนามเอามาถึงเพียงแค่วัตถุ ปัลลัตภอาการขึ้นไปถึงอาการเกิดดับของจิตใจแล้วก็เอาตั้งแต่อาการเกิด ด, ดับของจิตใจลงมาแค่นี้เริ่มงโรคหนาเอาไว้แล้วอันนี้มันต้องอยู่ในตอนนี้เป็นปัลลัตภะเท่งนั้นดังนั้นที่ว่าสมมุติบัญญัติปัลลัตภะบัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยบัญญัติถ้าจะพูดกันว่าเป็นปฐมศาสตรเป็นทูตสัญญาารเป็นตัิยสารเป็นจัตุตศาสตรเป็นปัจจมศาสตร์เป็นศาลของปัลลัตภะอันนี้อย่างที่ว่า ปฐมอาจรมีองค์ห้ามีวิจกวิจารปีติสุอิกร า, าเป็นปมณ ม, มัติสมมติมันมีในตำราอันนี้ไม่ใช่เป็นปร ม, ม, มัติสมมติอันนี้เป็นปณิมัติโดยแท้กา <c oughs> นที่นามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็นึกว่าทุกคนเขาจ่ายจับได้แต่ถ้าจําไม่ได้ก็ต้องฟังหลายครั้งหลายผนผิดจักนี้ไปไม่ใช่เป็น อ, อกุบรมีแต่คนอื่นนะั่นจะรู้เรื่องนี้ก็ได้ไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้แต่หลวงพ่อรู้เรื่องอื่นจนะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เมื่อดูอันนี้แล้ว ไม่มีการข้อแงใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้พอให้รู้จักเรื่องของคนตัวนี้รู้จักเรื่องของคนรู้จักจริงๆเพราะเราเรียนมาแล้วเดีย่ยเกิดเป็นคนเนี่เกิดมาจากพ่อแม่นะ่ยอันนั้นก็นเป็นคนพอพอแม่เป็นคนเนี่ยบัดนี้พอได้มาศึกษาความเป็นคนจริงๆอยู่ที่ไหนกไปเรารู้จั ก, จกความเป็นคนอันนี้ความเป็นคนอันนี้ก็ต้องรู้จักเป็นปฐมวิเรื่องอย่างลูปน้ำเนความเป็นคนรู้ แต่ฮะยังไม่รู้อันนี้ไม่ใช่คนเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นวันนี้เรื่องของคนห น, นึ่ต้องรู้ปรมาัดธรรามาแล้วหน้าที่ของคนต้องปฏิบัติธรรมาให้ถึงเบื้องสูงแต่ว่าเรื่องของคนหน้าที่ของคนปฏิบัติได้เช่นเดียวกันไม่ผิดกันเลยอันนี้ไม่ต้องพูดกับใครทางนั้นเนี่ยแม้ใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของคน น, นั้นเรื่องของเราไม่มีส ก, กัดใช้ได้เอาแค่นี้เองเรื่องนิทานนะั้นยังไม่พูดถึง เพราะเรามีนิพานเดียวนี้เรารู้เดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปนิพานถูกดิพราะเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ไปหาพระพุทธเจ้าถูกดิเราเห็นพ่อเห็นแม่เราก็ไปหาพ่อหาแม่เราถูกดิเราไม่รู้จักนิพานจะไปนิพานได้ไหมไปไม่ได้เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เราไม่รู้จักพ่อแม่เราเราก็ไปหาพ่อหาแม่เราไม่ได้เช่นเดียวกันสมมุติออาใกล้ๆอย่างที่บ้านเราเนี่ยไม่เคยเห็นในหลวงเห็นแต่ลูกให้เครื่องมา บัดในท่านายหลวงเนี่ยใส่กงกางเกงขาสั้นมานุ่งเสื้อดํำมอนินมาเล่นย่างมาเนี่ยเราจะรู้ไหมไม่รู้เลยเพราะเราไม่เคยอยู่กับนายหลวงเนี่ยถ้าอยู่กับนายหลวงทุกวันทุกวันนายหลวงจิตไส้สุดใดมันก็รู้ทันทีอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่หลวงพ่อนํามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราการทําการพูดการคิดรู้สึกว่าพวกเราทําจริงและพูดจริงคงจะรู้ไม่มากก่็ น, น้อยที่หลวงพ่อพูดนี่คือ มีคนพูดให้หลวงพ่อฟังว่ารู้จักรูปนามก็มีกาลังดูคงคิดก็มีบางคนอาจจะแม้จิตใจเบาว้าขึ้นมาเนีย่ยพุทธเจ้าก็อยากจเตือนไว้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเดินทางหลวพ่อพรุ่งนี้เดินทางแล้วเราจะได้ดผู้อถึงตอนเท้าอันนี้เป็นการทบทวนให้พวกเราจดจํานำเอาไปปฏิบัติไม่ไ้พลาดเลยข้อต้นระวังวิปัสสนาตอนที่จะรูปประะมาสนี่มันเป็นปีติจอย่งปีติเป็นอุปสรรค เราไม่ต้องคงแวะแต่ตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นวีประหลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากวาเราจะไปดีใจกับความสุขอันนั้นไม่ต้องเอาให้รีบมาทำคมรู้สึกทวนอารมณ์สิงที่เดินทางเนี่ยมีหลักมีตอมีเสียดมีหนาจะต้องปัดกวดเอาเดินทางสบายเอาแหละที่หลวงพ่อได้นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เป็นเทียงใจคมสั้นๆท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่สถานที่นี้ อาตามาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพรตาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสัตวทั้งหลายเราผู้เป็นตาถาคพไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาข่ายนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างระถับพุทนี่ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาระยะเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุกคนเธออิอมนตเพื่อนพิษุสัมมณ เ, เนและเจริญพอญาติโยบทุกทุกท่านตั้งใจใจวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองหลังจากการธรรมะเส้า ก็จะแน่แน่แนววิธีที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี้ว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตเราทุกคนที่หลวงพ่อพูดรัดๆวันนี้พูดสั้นเพื่อให้เราเข้าใจพูดมายืดยาวก็รวมควมแล้วก็จะมาแก้ปัญหาตัวเองนี่เองการเจริญธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะ ก็หมายถึงให้มารู้ตัวเราถ้าหากรู้ตัวเราแล้วปัญหาอย่างอื่นนจะเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือถึงกับไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นข้อแรกที่สุดการปฏิบัติธรรมแบบนี้นั้นต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้องสัมผัสแนบแน่นมีอารมณ์มีอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไป อันลำดับแรกก็เคยพูดให้ฟังเรื่องรูปนามอย่างแก้โทสะโมหะโลภะไม่ได้เพราะยังไม่เห็นเนี่ยเราไม่เห็นมันจะแก้ได้ทำไมมันต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจต้องสัมผัสมันได้จึงว่ามันยังแก้มันได้เหมือนกับคนที่เราจะไปหาคนเนี่ยเราไม่รู้คนนั้นจะไปพูดกับมันไม่ได้เมื่อเราไปเห็นไปรู้ ถึงตัวมันก็พูดได้คุยกันได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมพข้อแรกที่สุดที่หลวงพ่อนำมาเล่าให้ฟังคือเลิกได้การทำทั่วพูดชั่วคิดชั่วที่แรกเนี่ยเรื่องสงสัยผีเทวดานรกสวรรค์นเนี่เลิกได้จริงๆหลวงพ่อเลิกได้จริงๆก่ตอนสาวหลวงพ่อมาพูโบรีเราเนี่ย ไม่มีเคยมาเอไม่มีใครเคยมาพูดให้ให้ฟังเลยหลวงพ่อรู้จกักหลวพเลิกได้อันนี้เลยว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราสัมผัสแนบแนบกับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นหัวข้อเนี่ยอันนี้เป็นข้อแรกแต่ข้อที่สองมาหลวงพ่อรู้ตอนเย็นเรื่องโทสะโมหะโลภานี่หลวงพ่อไม่เคยรู้อืมีแต่ว่าอารมณ์ไม่ดี ใจไม่ดีเราเคยพูดกันว่าอารมณ์ไม่ดีอย่ามายุ่งนะเพื่อนๆนไปหาใจมันร้ายนะพูดได้แต่เราไม่เห็นไม่รู้เพียงพูดได้การพูดได้กับการเห็นนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกันพอดีตอนเย็นมาหลวงพ่อรู้เห็นเข้าใจที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าวัตถุปรมามัิเนี่ยเมื่อรู้อันนี้โทสะโมหะโลภะเนี่ยก็เห็นรู้เข้าใจ จางไปทันทีเลยเนี่ยเป็นอย่างอันนี้เป็นปฐมประาาสานแท้อั น, น <c oughs> ต่อมาค่ะเราไม่เห็นกิเลสเราเคยพูดกันว่ากิเลสพันห้าตัญหาร้อยแปดอะไรกิเลสตัญหาอุปทานเนี่ยเราเคยพูดกันแต่ใครๆก็รู้อั น, นแต่ไม่เห็นมันไม่รู้เมื่อเห็นแล้วมันจางไปเลยเป็นอย่างไงอันนี้เรียกว่าเป็นปรมาณันสินห้าสินแปะก็เหมือนกันเรารับศิน โลวงพ่อเคยรักสาอุโบสถสินแต่เมื่อยังน้อยก็ไม่น้อยเท่าไหร่อายุเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มกำลังขนองนี่นะเคยรับสินมาไม่รู้สินเลยรับสินห้าสิน 8, แปดเรานี้เคยรับมาแต่ไม่รู้สินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากเราเคยพูดกันสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางเราพูดกันปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเอียด ไม่รู้เราพูดกันได้เดีให้มันเห็นกิเลสอย่างหยาบคืออะไรกิเลสอย่างกลางคืออะไรกิเลสอย่างละเอียดคืออะไรมันต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจมันเป็นอารมณ์ของมันเองดังนั้นจิว๋วให้เรารู้สึกตัวทําการเคลื่อนการไว้ถ้าหากเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันหลอกเราจิตใจของเรานี่ลอกเราได้เดี๋ยวก็เห็นอันนั้นเห็นอันนี้เนี่ยเราไปนั่งภาวนาหลับตา หลวงพ่อเคยทํามาเรื่องเหล่านี้เห็นผีบ้าง<ม>เห็นเทวดาบ้าง<ม>เห็นพระพุทธรูป<ม>เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพาะอุบาจารย์พูดให้ฟังว่านั่งภาวนาหายใจเข้าคุดหายใจออกโถเนี่ยนึกเอาพระพุทธเจ้ามาตั้งอยู่ในหัวใจนี่บางครั้งบางครั้งก็ให้นึกเอาพระพุทธรูปบางครั้งก็ให้นึกเอาลูกแก้วท่านสอน แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นนั่งเพ่งกัสินอันนั้นเลยเราอยากไม่รู้ไม่ใช่อยากรู้หรืออยากไม่รู้อันให้เขาจะบออยากรู้อยากไม่รู้เนี่ยมันซ่อนๆกันอันเราอยากรู้เนี่ยเป็นอยากไม่รู้คือเราไม่อยากรู้เราจึงอยากรู้ไปอย่างอื่นไปซะอันของจริงนี่เราไม่รู้เลยอันการเคลื่อนการไหวอยู่นี่มันเป็นของจริงไม่รู้แล้วมันอยากไปรู้อื่นอื่นเป็นอยากไม่รู้อ่ แสดงว่าไม่อยากรู้ของจริงแต่มันก็นเลยลอกเราจิตใจคนนันคนโบราณหรือพ่อแม่เราเคยสอนว่าจิตใจคนนี้เหมือนลีงวันจิตใจคนเนี่ยวอกแวกกอกลับได้ไวดนุ่มีลานไขในตนเราท่านควรบังคับกลนให้จิตยนต์หมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตใจหมุนไปในทางข้างกี ทาที่มีกอจากนี้จากนายหายสูญอาธรรมเข้าครอบงำาผมระยำสมบูรณก็ปิ้นปอกหลอกตนมันลอกเราได้อย่างสบายสบายจิตใจเรานี่เพราะเราอยากไม่รู้นั่นเองถ้าเราอยากรู้เราต้องรู้รู้การเคลื่อนการไหวนี่อันนี้อยากรู้ก็ได้ไม่อยากรู้แต่มันรู้เมื่อรู้อันนี้แล้วจิตใจเราลอกเราไม่ได้ดังนั้นจิ๋วพยายามทําให้รู้กับตัวเราการเคลื่อนไหวนี้ เมื่อรู้การเคลื่อนไหวนี่มีญาณปัญญาญาณปัญญาเข้าไปเห็นแจ้งรู้จริงโดยไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรเลยที่หลวงพ่อทามาไม่ต้องนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องนึกว่าจะเป็นอย่างนี้ทำเพียงความรู้สึกตัวเท่านั้นเองอันนี้พูดหลบมาอีกพักหนึ่งคือว่าเมื่อรู้รูปนามเนี่ยใจเป็นอย่างมืดอยู่ใจยังไม่สว่างดีพอดีรู้ เรื่องโทสะโมหะโลภะมันเป็นอารมณ์ที่พูดให้ฟังตอนเย็นวานนี้มันเป็นอารมณ์พอดีรั้อารมณ์มันจบวิญญาณ น, นี่มันเป็นพักเป็นพักไปแล้วก็เบาใจขึ้นมาใจิตใจสว่างขึ้นมาแต่ยังมืดแต่ยังไม่สว่างพอเหมือนกับเราเดินทางไป<ม>เล็กๆทางน้อยๆแต่เราก็ต้องพอไปได้เนึ่พอดี เรามารู้กิเลสตันหาอุปทานสัมผัสแนบแน่นกับเป็นทางกับขั้วขึ้นไปเนี่ยพอเดี้เรามารูสินสินสินก็เป็นเครื่องกับจากกิเลสยัหยาบเดีย๋ยวมนการรู้จักแล้วกิเลสยงหย า, งงาบวันนี้กิเลสยังกลางเหมือนเรากรู้จักมันไปสัมผัสแนบแน่นเอากิเลสยังกลางก็เพราะเราต้องการนั่นเองต้องการความสงบเนี่ยเราเป็นั่งให้มันสงบเนี่ยเ น, นี่ยอยากไม่รู้อันนี้ เราอยากสงบแต่มันไม่อยากสงบมันมันตรงกันข้ามอันอยากสงบนั้นหมายถึงเราอยากไม่สงบอันเราอยากรู้นั้นหมายถึงว่าเราอยากไม่รู้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเราอยากรู้เราก็จะมาจับคลุมรู้สึกนี่ถ้าเราอยากสงบเราก็ต้องเห็นจิตใจที่มันเกิดขึ้นมาวูบขึ้นมาเราเห็นอันนั้นแปลว่ามันอยากไม่สงบเราไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันคิดมันห้ามไม่ได้ แต่ว่าให้มันคิดที่หลวงพ่อพูดอะให้มันคิดไป่ใช่ว่าตั้งไปคิดขึ้นมานะอันตั้งคิดขึ้นมานั้นผิดแล้วแปลว่าเราอยากไม่รู้อยู่แล้วให้มันคิดผู้เดียวมันพอเดีมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นเรารู้อันนี้แปลว่าเราจะทําให้มันสงบเหมือนแมวจับหมูเนี่ยมันคิดออกมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันคิดออกมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนี้แปลว่ามันจะทรงเองหมาแต่ไม่ใช่ว่านั่งสงบเน๊ สงบแบบรู้แบบเห็นแบบเข้าใจเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันเรานั่งอยากให้มันสงบนั่นแปลว่าเราอยากไม่สงบมันสงบก็เลยไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกับเพ่เราไม่อยากเห็นคนนี่แหละเราหลบเข้าไปนั่งอยู่ในป่าใน่ํามันไม่เห็นวันนี้พอดีเราเข้าไปในบ้านไปหาคนเลยมันต้องเห็นคนด้ยมันอันเห็นคนนั่นแหละมันสงบอันไม่เห็นคนนั้นไม่สงบเลยแห่เข้าใจจางนั้น วันนี้เราจะอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องมาอยู่กับคนเนี่ยคนอยู่หลายคนเราต้องเห็นคนเห็นคนเห็นกิริยามารยาทการพูดการจาเราต้องเห็นนี่ว่าให้รู้จักเรื่องของคนถ้าหากรู้จักเรื่องของคนแล้วความสงบก็มีมาทันทีพอเราสงบแล้วนี่เรื่องของเขาไป่ใช่เรื่องของเราเนี่ยอันนี้เรียก ว, ว่าสงบสงบเพราะเราเห็น เห็นใจเราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้เราจะไม่ไปล้องแวะอยู่กับติ่งเ่านั้นอันนี้เลยห่อกิเลสอย่างกลางเราเห็นใจเราผิดเพราะเราทําลายโคลมหลงได้เหล่าโมหะนี่ไม่ติดนะโมหะก็ต้องมันไม่ใช่เอาทีเดียวนะอย่างที่หลวงพ่อว่าเรามีโมหะมากก็เห็นโมหะเรามีโทสามากถก็เห็นโทศาสเรามีโลภมากก็เห็นโลภ มันไม่ใช่เอาออกทีเดียวเหมือนกับเราซักผ้าเนี่ยผ้าเราสปกปรกเราเอาไปแซ่ผงแซ่อะไรมผงจะทำลายเองมันแต่ไม่ต้องทำอะไรมากมันก็ค่อยๆจางไปอันเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่เป็น ญ, ญาปากขอกที่สุดเราต้องเห็นอันนี้แหละจึงว่าถ้าทำลายอันนี้ยังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่สงบแม้นิดเดียวก็ยังไม่สงบถ้าเราทำลายอันนี้ได้น้อย ก็คนสงบน้อยถ้าเราทำลายอันนี้ได้มากก็มีคนสงบมากถ้าเราทำอันลายอันนี้ได้อย่างสิ้นเสิงก็สงบอย่างสิ้นเสื่อจริงๆแต่มันทำลายไม่ได้แต่มันค่อยๆขึ้นไปเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นอย่าง <c oughs> นั้นโลกกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเราพูดกันมันอาศัยข่มรู้ข่มรู้นั่นเรียกว่าสารเนื้อเยานม่จะว่ายอย่างไงเพราะหลวงพ่อไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนหนังสือ ก็เรียกว่ายานปัญญาสารมันในสานไปว่าเข้าไปรู้ยานบางบอกเป็นพาหานะเนี่ยคําพูดมันกลับไปกลับมายานไปว่าเข้าไปรู้ยานก็ไปว่าพาหานะเนี่ยนวายภาหานะคือขนส่งขนเอาคนจากข้างนี้ไปข้างน้นก็ได้ขนเอาคนที่มีความรู้ไปไว้ข้างหนึ่งคนที่ไม่มีความรู้ไปไว่าข้างหนึ่งแล้วจะจัดสมมุติไป เข้าไปรู้เรื่องกิเลสนี่เองอันปฐมฌานทูติญาณฌาน ต, ตัติยสานจัตุทัศานปัญจมันก็ทําลายกิเลสนี่เองอืถ้าหากไม่มี re, มทานเข้าไปทําลายมันหลงมันลืมจิตวิญญานเข้าไปรู้ยานเข้าไปรู้ก็เป็นว่าเป็นปฐมรู้ขั้นแรกเป็นอย่างนั้นขั้นที่สองเป็นอย่างนั้นขั้นที่สามเป็นอย่างนั้นขั้นที่สี่เป็นอย่างนั้นขั้นที่ห้าเป็นอย่างนั้นให้เราจับได้อันนี้ แต่ไม่ต้องว่าพูดกับวิตกวิจารปีติสุขเอกคัตาก็ไม่ต้องพูดกับอะไรแต่ให้เราเห็นเมื่อเราเห็นอันนี้หลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปหลวงพ่อพูดให้ฟังลัดเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สิบสองวันที่วันที่ยี่สิบสองนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสามเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นี่เราก็จะได้ไปทําการทํางานตามธุระหน้าที่ของเรา คนเราต้องมีการมีงานต้องจดจําเอาไว้ตอนที่เราจะหมดข้อสงสัยนั้นจำไว้ให้มันดีมันรู้อะไรก็ไม่เอาเลยให้เร า, าเรามเานะืเราจืดหมดตัวเราพูด่ะจึงจะถูกต้องเราจืดหมดตัวเราก็าไปว่าเราแสดงว่าเราหมดหมดแล้วมันออยังจืดได้ถ้ามันไม่หมดมันไม่จืดได้เอาว่าจืดนี่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ้เราคงไม่รู้นึกว่ายังไงจืดนี เกจางเกิดค่เออมันเกดมันจางไปหลวงพ่อไม่เข้าใจคําพูดเรื่องเหล่านี้เกิดหลวงพ่อรู้หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้เหมือนกับเราอุ้มเด็กเด็กเด็กทารกหรือเด็กน้อยที่เกิดใหม่นะแต่พกก้นมันแดงเราเอามือไปแปะเข้ามันมันขาวทันทีเลยเราเอามือเราอ้อมมันแดงขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เดี๋ยมันลอกเราแต่มันขาวได้แดงได้มันหลอกเราพอที่เราจับมันจืดแดงหลวงพ่อพูดมันทันนัด คือมันขัดใจที่หลวงพ่อเคยพูดเนี่ยว่าเอาเสื้อในล่อมาพูกไว้โซนัสตัดตรงการแล้วดึงเข้าหากายไม่ถึงอันนี้ก็หมายถึงความจืดเหมือนกันแใ น, นวันนี้มีบาดเราผ้าบาดเราเลือดมันออกบาดใ น, นวันนี้พอดีเราปักเข้าไปแล้วเลือดมันหดกลับหมดเลือดมันกลับเข้าในเส้นในเอ็มันไม่ออกมาปากบาดอันนี้ก็เป็นจืดเหมือนกันเนี่ยคําเดียวกันเนี่ยความหมายมันมากแต่ว่าให้คนรู้จัก ถ้ามันจืดในตัวเราหมดแล้วก็แสดงว่าเราตรวจตาตัวเราดีๆเราจะไปติดความสุขถ้าไปติดความสุขก็แปลว่าเราจะหลงอันนี้ให้เราอยู่กับอันนี้แต่ไม่ได้นองนั่งน้อยให้เราพยายามเดินไปเดินมาอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนอะเราได้ทางแล้วเดินไปสุดทางแล้วกลับคืนมาทางนี้มาทางนี้มาเริ่มต้นกลับไปคุเนี๋ยวอันนี้นี่ย เราตรวจตาดูเส้นทางของเราเราเคยได้ยินได้ฟังมาพ่อแม่เราเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> คนสำหรับคนป่วยคนไข้เนี่ยนอนกลางคืนมาหนานแจ้งกลางวันมาหนานค่ำเพื่นว่าทางยาวไกลสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำเนี่ยเพื่นว่า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 ปัญจจิหุขมานน่ปัญจจิแจ้งมาโ น, น่อ่นกลางวันกับปัญจจิคําโน่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นบัด น, นี้คนเดินทางไกลน่ะโอ้ยปัญจจิหอสิถึงนอ่เนี่ยห้าบคองหนักแต่ควมจริงทางเทียงกิโลเดียวเท่าเดิมบัด น, นี้เราห้าบของหนักเข้านานถึงอันนี้เขาเรียกวัตตะสงสารเยื่ยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำถ้าเรารู้ทำเนี่ยมันใต้กลางวันก็เหมือนกันสิบสองชั่วโมง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 หลวงพ่อไม่ยากจริงๆที่มันยากคือเราไม่รู้คือเราไม่รู้ที่ไปที่มานั่นเองถ้าเรารู้ที่ไปที่มาแล้วมันใกล้ที่สุดเอย่างมาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันใกล้ๆแต่เรามาทําให้มันไกลเส้นเราให้ทานแล้วก็ต้องการานิพพานทานบ้าเดียวก็ต้องการนิพพานทานร้อยบ้าก็ต้องการานิพพานทานมื่นทานแสงก็ต้องการานิพพานเป็นอย่างนั้นเอาไปภาวนาพุทธโธธรรมโมอัลังหังผองก็ต้องการานิพพาน แต่เราไม่เข้าใจว่าเดินไปหานิพพานเดินไปทางไหนเราไม่ค่อยรู้ไม่เป็นนะนะที่ว่ามันเป็นของยากเพราะเราไม่รู้จับโน้นจับนี้จับโน้นจับนี้ก็เลยไม่รู้จักจับต้นส่วนไปลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นที่หลวงพ่อนํามาแนะนําเพื่อกันลืมแม้จิตใจเราจะเป็นสบายก็ตาม <c oughs> เป็นอย่างไงก็ตามถ้ามันยังไม่จืดตัวเราเนี่ยนวก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงที่สุด ถ้ามันจืดในตัวเราแล้วแสดงว่าเราเข้าใจแล้วธรรมชาติต่อธรรมชาติมันจะสร้างสรรตัวมันเองอืท่านว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมมีมีจริงๆเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นแล้วนะยั ง, ยงมันยังเกิดหยาญขึ้นมานะไม่ใช่หยาญรู้ลงหน้านะอันที่ถามกันนถามลงหน้ามันอยากไม่รู้ <c oughs> เนี่ยวก็ถามคนนั้นถามคนนี้แปลว่าเราอยากรู้แต่เราอยากไม่รู้อันะ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 นอกจะพอจดจําได้อย่างที่พระ อ, อรหันเนี่ยเราเข้าใจตระหนับพระ อ, อรหันนั้นต้องมีตาเทปมองเห็นตับไตไส้ปอดคนนั้นคนนี้หรือนั่งทางในอันนั้นอยากไม่รู้ถ้าอยากรู้น่ะพระอรหันไม่ได้ไปเห็นอย่างนั้น <c oughs> เห็นตัวเรานี่เองเป็นปกติอันปกตินั่นคือว่าจิตใจมันคิดเราเห็นเรารู้ อารมณ์คนพูดข like ึ้นมาเราเห็นเรารู้เพราะเรามีปกติถ้าเราไม่มีปกติเราคนพูดเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้มันก็ไปจับคําพูดของคนอื่นพุ่นหูไปฟังของคนอื่นพุ่นใจมันก็เลยไปรับเอาอารมณ์ของคนมันกลับมาพี่ไม่ผิดไม่ปกติแล้วบนี้ผิดปกติแล้วบนี้อันผิดปกตินในบ้านเราเพาอเรียวบ้าไอ้บ้าคนนี้ผิดปกติแล้วถ้าเป็นผู้หญิงกับนางนี้บ้าผิดปกติแล้วเนี่ยเป็นยังไง อันผิดปกตินั้นแปลว่าไม่ถูกแต่คนอื่นอาจจะถูกต้องแต่หลวงพ่อไม่ถูกต้องใครจะพูดยังไงหลวงพ่อก็ถือมัน่นถ้าหลวงพ่อถือมั่นเนี่ยเป็นอุปปาร์มไหมเออเป็นก็เป็นหลวงพ่อลู่จักสมมติดีเป็นอย่างนั้นเจ้ว่าให้เราเข้าใจตัวนี้มเมื่อมันขาดออกจากกันนะ่ะใครๆก็าตามมันจะสะบั้นตัวขึ้นทันทีเลยเลือดมันจะไม่ไปออกปากบาดมันจะกลับคืนมาแพ้ อ, อันนั้นน่ะ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 อันนี้เรียกว่าทางสายเอกทางไปคนเดียวทางสายนี่หละทางให้ทำที่สุดได้เรียวทางสายเอกทางไปคนเดียวนั่นจะเป็นลูกคนอื่นไม่ได้คนอื่นพูดให้มาเราฟังได้คนอื่นพูดให้เรามาเราฟังได้แต่ว่าคนนั่นพูดยังไงเราฟังได้แต่เรารู้จักคำหมายของคนนั้นได้แต่เรามาดูเอาตัว 1988, เราเข้าไปวัดเอาตนนั้นเองอันนี้เรียกว่าทางไปคนเดียวจะไปสองคนสามคนไม่ได้พอจะทำแทนลูกก็ไม่ได้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 อันธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นคนแรกคนพบท่านคนพบตัวท่านเองเราก็เคยได้ยิงได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายคนแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดสิรูพราะการทําทางจิตทางใจนี่อันจิตใจจีวมันเร็วที่สุดนั่งอยู่ที่นี่ถ้าคนเคยไปกรุงเทพนั่งอยู่แป๊บเดียวนึกถึงกรุงเทพเหตทันทีนั่งอยู่ที่นี่ค น, ค, นนนนนคนไปเมืองนอก เห็นมืองนอกทันทีจึงว่าจิตใจมันเจาะเร็วที่สุดถ้าหากไม่เร็วเท่ากับจิตใจแล้วก็แสดง ว, ว่ามันลอกเราเพราะเนว่าจิตใจคนวอกแวกก่อกลับได้ไวมันกลับไวดุจมีลานไข่ในตนคือ น, นาฬิกาเนี่ยนะหมุนอยู่นั้นนะเราท่านคนบังคับคนให้จิตโยนหมุนมาแต่ในทางข้างดีนะให้มันหมุนอยู่กันในทางนี้คือรู้สึกตัว